วินีตะวัตถุเรื่องมารดาหนึ่งเรื่อง281แสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งจับต้องมารดาด้วยความรักฉันแม่ลูกท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตสังฆาทิเศตแต่ต้องอบัตทุกก วงเล็บเรื่องที่หนึ่ง